ต่อไปนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ปรึกษาสนทนากันในปัญหาต่างๆกว่าจะมีโอกาสได้มาพบกันก็ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีเวลาท่านผู้ใดมีปัญหาที่จะปรึกษาสนทนาอะไรก็ได้โปรดถามแต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะมาจะรู้หมดทุกอย่างนะ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 จนกว่าจิตจะสงบลงไปถึงขนาดลมหายใจจะหายขาดไปคำภาวนาหายไปถ้าตอนนี้เราไม่เกิดตกใจหรือเอดใจขึ้นมาก่อนจิตจะสงบนิ่งละเอียดลงไปกว่านั้นในที่สุดจิตก็จะเข้าสู่อัปปนาสมาธิอยู่ในขั้นที่ตัวก็หายไปหมด ยังเหลือแต่จิตรู้สงบสว่างอยู่อย่างเดียวร่างกายตัวตนไม่ปรากฏแต่ถ้าไม่ทำอย่างนั้นเมื่อลมหายใจจะหายไปคำภาวนาก็หายไปแล้วก็รู้สึกตัวต้นมาให้หาเรื่องให้จิตมาพิจรารณา ที่เจรนาโดยกำหนดลงที่ใดที่หนึ่งจะเป็นบริเวณหน้าอกก็ได้หรือจะเป็นกระดูกจะเป็นท่อนแขนท่อนขาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้โดยกำหนดลงในจิตว่าเราจะลอกหนังออกแล้วก็กำหนดผือเนื้อออกจนกระทั่งมองเห็นกระดูกคือว่าใจมองเห็นกระดูกตายังไม่เห็นก่อน เนึกองไปให้มันถึงกระดูกรอยกำหนดลอกหนังออกเขือเนื้อออกแล้วเนึกให้มันถึงกระดูกเนื้อกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นแล้วเมื่อเจตนน้อมใจเชื่อลงไปว่ามีกระดูกอยู่ที่ตรงนี้ให้กำหนดบริกรรมภาวนาว่าอาธิอธิแล้วก็จ้องจิตลงไปที่จุดนั้น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 เอจก็เพียงแค่สงบลงไปทําท่าว่าลมหายใจจะหายไปทำภาวนาก็หายไปแล้วจิตก็ตื่นขึ้นมาไม่ถึงความสงบสักทีทีนี้อาจารย์องค์นั้นก็ไปถามท่านอาจารย์องค์หนึ่งซึ่งอาจารย์องค์นั้นก็เป็นโยมชีผ้าขาวยังไม่ได้บวชเป็นเนน ว่าทําอย่างไรจิตมันจึงจะสงบเป็นสมาธิดีๆสักทีอาจารย์องค์นั้นทำแนะนําว่าให้แพ่งลงตรงหน้า อ, อกให้นึกให้มันเห็นกระดูกโดยลอกหนังออกเหือเนื้อออกแล้วก็จ้องจิตลงไปบริกรรมภาวนาว่าอธิอธิอธิอาจารย์องค์นั้นไปปฏิบัติตามก็ได้สมาธิแล้วก็ได้สมาธิเห็นกระดูกตรงหน้า อ, อก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 มเหมือนกับขี้เมฆที่ลอยผ่านสายตาเราไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าจิตก็นิ่งเฉยสงบนิ่งสว่างอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่มันมีให้รู้ให้เห็นมันก็ผ่านไปก็มันได้เรื่อยทีนี้นึกถามลงดูสิว่าตรงเนี้ลองเนึกถามดูสิว่าตรงนี้เราจะเรียกว่าอะไรตรงนี้ เป็นภูมิความรู้เป็นภูมิปัญญาของจิตอย่างละเอียดเกิดขึ้นซึ่งเป็นความจริงความจริงที่อยู่เหนือสมมติบัญญัติสภาวะธรรมส่วนที่เป็นสัตยธรรมเกิด ข, ขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัตินั้นมีแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ซึ่งท่านอาจารย์มั่นท่านว่าถีติภูตัง เทตโพตัง <c oughs> ของท่านอาจารย์มั่นในมุตโตไทยมีความหมายว่าเทติคือความตั้งเด่นอยู่ของจิตอยู่ในสภาพที่สงบนิ่งเป็นกิริยาความประชุมพร้อมของอริยมรรยังจิตให้บรรลุถึงความเป็นปกติภาพโดยสมบูรณ์เมื่อจิตมีอริยมรรยประชุมพร้อม ภายในจิตมีลักษณะสงบนิ่งสว่างอานาจของอริยมรรคสามารถปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิลูลภูมิธรรมอย่างละเอียดภูมิโลภูมิธรรมซึ่งเกิดขึ้นอย่างละเอียดไม่มีสมมติบัญญัตินั้นท่านเรียกว่าภูตังภูตังหมายถึงสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติของมันอย่างนั้น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 เพราะในขณะที่ท่านรู้ท่านไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรแต่มันก็มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นจิตโพูลก็มีอยู่สิ่งที่ให้จิตูลก็มีอยู่แต่เรียกชื่อไม่สุกท่านแนะนำหนึ่งให้เจริญสมาธิสองให้พิจารณาอสุภาพกรรมฐานสามให้พิจารณ า, าธาตุกรรมฐานอันนี้เป็นหลักวิชา ในเมื่อจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวให้เป็นหลักสูตรก็ต้องว่ากันไปตามลำดับขั้นในปัญหาสามข้อนี้ข้อหนึ่งให้จเจริญสมาธิสองให้พิจารณาอสาุภกรรมฐานสามให้พิจารณาธาตุในสามข้อนี้ใครจะเริ่มต้นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งได้ไม่ต้องไปบริกรรมภาวนาใดๆก็ได้ เช่นพอใจจะพิจารณาอาสุภะพิจารณาเรื่องอสุภะกรรมฐานไปเลยถ้าจะพิจารณาเรื่องธาตุาพิจารณาเรื่องธาตุไปเลยทั้งสามอย่างนี้ถ้าเจริญแล้วการเจริญสมาธิด้วยบริกรรมภาวนาจะทำให้ผู้เจริญกรรมฐานนั้น ได้รับผลช้าคือบางทีบริกรรมภาวนาแล้วจิตอาจจะไปติดอยู่ในความสงบภายหลังจะต้องพยายามขวนขวายพิจารณาอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปจึงจะเกิดมีภูมิความโล่งขึ้นมาได้แต่ถ้าพิจารณาอสุภกรรมฐานเลยทีเดียวหรือพิจารณาธาตุกรรมฐานเลยทีเดียว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 รวมกลับเข้ามาในตัวเมื่อปฏิบัติไปแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรรวมกลับเข้ามาในตัวอันนี้เป็นลักษณะของความหดสั้นเข้ามาของกระแสจิตที่ส่งกระแสไปในสู่ที่ไกลๆแล้วเมื่อเราภาวนาแล้วเมื่อจิตจะสงบมันก็เริ่ม โคดท่านเข้ามาเข้ามาเข้ามาจนกระทั่งถึงตัวจุดแห่งความสงบซึ่งบางครั้งมันอาจจะเกิดขึ้นเพียงแต่ความรู้สึกว่าทุกสิ่งมันรวมกลับเข้ามาในตัวบางครั้งอาจจะเกิดแสงสว่างอยู่ที่ไกลๆโน้นมองสุดลูกหูลูกตาเมื่อบริกรรมภาวนาหนักเข้าแสงนั้นจะย่นใกล้เข้ามาหาตัวเข้ามาทุกทีทุกขี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 มีจิตแยกกันอยู่เหตุการณ์ดังที่ว่านี้จะเกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางขณะบางทีเราทำจิตสงบลงไปเราอาจจะมองเห็นตัวของเราอีกร่างหนึ่งแฝงขึ้นมามีความรู้สึกว่าเรามีกายสองกายมีจิตสองจิตเพราะในขณะนั้นเรารู้สึกว่า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 กระแสเจตส่งออกไปข้างนอกถ้าไม่เห็นภาพหรือรูปอย่างอื่นก็จะมองเห็นรูปของตัวเองปลากฏขึ้นเมื่อเจตสงบเข้าจริงจังแล้วร่างที่สองหรือจิตที่สองจะหายไปจะมารวมอยู่ที่จิตจิตเดียวคือจิตของเราเป็นเรื่องของธรรมดาเป็นทางขานของการทำสมาธิปัญหาสำคัญอย่าไปเอกใจหรืออย่าไปตื่นกับเหตุการเหล่านั้น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 ความสงบอย่างนี้เรียกว่าผู้ทาสมาธินั้นยังไม่ชำนาญในการเดินจิตเราจะรู้เฉพาะแต่เวลาเรากาหนดบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอารมณ์กับเมื่อตอนจิตที่สงบนิ่งแล้วช่วงระหว่างกลางนี้เรากาหนดไม่ได้สมาธิจริงยังไม่พร้อมด้วยองคสมาธิทีพร้อมด้วยองคนั้น ผูภาวนาจะต้องกาหนดรู้ไปแต่วิตกวิจารนแล้วก็เกิดปีติเกิดสุขเกิดเอกัคขตาคือความเป็นหนึ่งของจิตจนระ ว, วิตกวิจารปีติสุขยังเหลือแต่เอกัคขตากับอุเบกขาซึ่งเป็นสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิหรือขั้นสมถะสมาธิที่เดินตามแนวขององค์ฌาน เป็นสมาธิของผู้ที่บำเพ็ญจิตให้เป็นสมาธิชำนานพอสมควรถ้าชำนานจริงๆแล้วสามารถที่จะยับยั้งจิตของตนเองให้อยู่ในองค์าญ น, นั้นๆตามที่ต้องการเว้นเีตว่าจิตลงไปถึงฌานขั้นที่สี่ท่านขั้นที่สามที่สี่แล้วนั่นแหละจิตจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเราจะทำอะไรไม่ได้ ถ้าจิตอยู่ในระหว่างฌานขั้นที่หนึ่งที่สองในตอนนี้เราสามารถประคองจิตของเราให้อยู่ในองค์ฌานนั้นนั้นได้คือเราสามารถใช้ความตั้งใจอ่อนๆโดยที่เราเนึกประคองจิตจะให้อยู่ในระดับของปีติอยู่ในระดับของสุขอยู่ในระดับของความสงบก็ได้แต่ถ้าหากถึงฌานขั้นที่สามที่สี่แล้วตอนนี้จิตเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ ปัญหาต่อไปข้อที่หนึ่งสมาธิต่อเนื่องวิปัสนาทำอย่างไรสมาธิต่อเนื่องวิปัสนาคำว่าวิปัสนานี่มันมีอยู่สองขั้นตอนวิปัสนาขั้นต้นคือวิปัสนาที่ใช้สติปัญญากำหนดพิจารณาเอาโดยความตั้งใจเช่นเราจะพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็น อ, อนิจจังทุกขังอนัตตา หรือพิจารณาลูกเทนาสัญญาสังขารวิญญาณน้อมไปสู่ความเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาใช้ความรู้สึกนึกคิดที่เราเรียนมาแล้วก็นึกเอานึกเอาเรียกว่าการเจรณาแบบใช้สติปัญญาธรรมดาธรรมดาการใช้สติปัญญาพิจารณาลูกเทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญ, ญญาณให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยความรู้สึกนึกคิดเอาเองนี่แหละ เป็นการปฏิบัติเป็นการตกแต่งปฏิปทาเพื่อให้จิตสงบปรงเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบลปรงเป็นสมาธิแล้วจะเกิดวิปัสสนาขึ้นมาโดยอัตโนมัติจิตจะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิรู้อนิจจทุกขังอนัตตาเองถพิงทำความเข้าใจว่าถ้าสมาธิหรือสมถะไม่เกิดขึ้น ท่านจะเจริญวิปัสนาอย่างไรท่านจะไม่ได้วิปัสนาเพราะวิปัสนามีมูลฐานเกิดขึ้นมาจากสมถะคือสมาธิหาสมถะคือสมาธิไม่เกิดขึ้นท่านก็ได้แต่วิปัสนาแบบนึกคิดเอาเองเป็นภาคปฏิบัติเท่านั้นยังไม่ใช่ตัววิปัสนาที่แท้จริงปัญหาที่สองคำภาวนาพุทโธเป็นสมาธิ จะทำให้เป็นวิปัสนาต่อไปจะทำอย่างไรคําภาวนาพุโทโธทำจิตให้เป็นสมาธิได้พูดได้ ว, ว่าภาวนาพุโทโธจิตสงบลรงเป็นสมาธิเพียงแค่ขั้นอุปจารสมาธิไม่ถึงอัปนาสมาธิถ้าต้องการจะให้จิตเป็นวิปัสนาสืบเนื่องจากการภาวนาพุโทโธ พอทำจิตให้สงบลงไปรู้สึกว่าสงบสว่างขึ้นมาแล้วน้อมจิตไปพิจารณาโูภเปทนาสัญญาสังขานวิญญาณน้อมไปสู่จุดแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเึ่งงรีกว่าพัดไตรลักษณ์หรือไม่ฉะนั้นเขาที่จิตของตัวเองเมื่ออารมณ์อันใดเกิดขึ้นคือความคิดก็ความโนดตามรู้วความคิดนั้นๆเรื่อยไป ทีนี้เมื่อความคิดอัไใ ด, ดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเราเอาพระไตรลักษณ์คือนนิจังทุกขังอนัตตาควบคุมความคิดว่าความคิดนี้มันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจเจริญวิปัสสนาในสมาธิอ่อนๆบางครั้งเราเลิกคิดแล้วสมาธิจะถอนมาสู่สภาพปกติธรรมดาก็อย่าเลิกจากการคิดพิจรารณา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 บางทีบางท่านเพียงแต่บริกรรมภาวนาจิตสงบลงไปพ อ, อเป็นอุปจารสมาธิจิตของท่านผู้นั้นจะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิแห่งวิปัสนาโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้แสดงว่าผู้นั้นเคยเจริญวิปัสนามาก่อนแล้วตั้งแต่ชาติก่อนโน้นถ้าขั้นผู้ใดไม่เคยเจริญวิปัสนามาก่อนจิตสงบลงไปแล้วก็เกิดจิตสงบลงไปแล้ว วิปัสสนาก็ไม่เกิดเป็นแต่เพียงว่าไปสงบนิ่งสว่างอยู่เฉยๆในธรรมลองนี่ต้องฝึกหัดค้นคิดในแง่วิปัสสนากรรมาฐานยกเอาอะไรมาพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นรูปเทธนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนกว่าจะเกิดสมาธิขึ้นมาแล้วจิตจะรู้ภูมแห่งวิปัสสนาไปเองอปัญหาต่อไป ที่กล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงทราบว่าเหตุใดจึงเกิดเป็นคนการโล้ว่าเหตุใดจึงเกิดเป็นคนอันนี้ไม่เฉพาะแต่พระพุทธเจ้าพวกฤาษีสมัยโบราณก็รู้เหมือนกันว่าเหตุใดจึงเกิดเป็นคน เช่นอย่างพวกฤาษีชีพลัยที่บำเพ็ญตะปะอยู่ในภูในเขาในเมื่อทำสมาธิให้เป็นสมถาะาได้ฌานสามารถเกิดอริญญาลู้ได้เหมือนกันว่าชาติก่อนท่านเกิดเป็นอะไรมาแต่ท่านเหล่านั้นไม่ได้บำเพ็ญมาเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่ตัดสู้ไม่สามารถทำลายกิเลสได้การรู้และเลิกชาติผลหลังได้ไม่เฉพาะแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวแต่ในฐานะที่ เราเรียนจากศาสนาของพระพุทธเจ้าเราก็ะจิงมักจะพูดว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นรู้ว่าเหตุใดคนจึงเกิดมาเป็นคนได้แต่แท้ที่จริงฤาษีเขารู้มาก่อนพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นความรู้พิเศษไม่จะพาะแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวจะรู้โคดายทาสมาธิให้ได้ถึงขั้นสมาธะหรือได้สําเร็จทาน สามารถเกิดอภิญญารู้ยิ่งเห็นจริงว่าธาตุก่อนเขาเกิดมาเป็นอะไระเขาเคยเกิดเป็นอะไรมาแล้วสามารถที่จะรู้ได้ไม่เฉพาะแต่พระพุทธเจ้าองเดียวในปัญหาต่อไปหนึ่งเวลานำของไปถวายพระแต่พระไม่ได้ฉันอาหารนั้นถามพูดถวายจะได้บุญเต็มที่ไหมในการได้บุญเต็มที่หรือไม่เต็มที่นั้น อยู่ที่เจตนาคือความตั้งใจอันบริสุทธิ์ของเราแม้แต่ว่าถ้าเราไปถวายพระแล้วเรายังระแวงสงสัยในพระว่าจะบริสุทธิ์หรือไม่อยู่บุญที่เราทําลงไปมันก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้อย่างเต็มที่อาการทําบุญจะได้บุญมากหรือบุญน้อยอยู่ที่เจตนาถ้าเจตนาของเราบริสุทธิ์สะอาดว่าหนึ่งถ้าเราให้แก่คนยากจนมุ่งเพื่อการสงเคราะห์ ให้แก่ผู้ทรงศีลทรงธรรมมุ่งเพื่อการบูชาให้แก่พระสงฆ์มุ่งเพื่อให้กำลังแก่ผู้ทำกิตพระศาสนาเจตนาของเราบริสุทธิ์ทำบุญลงไปแล้วถึงแม้ว่าพระไม่ได้ฉันท่านเพียงแต่รับเราก็ได้บุญอย่างเต็มที่แล้วในปัญหาต่อไปหลังจากภาวนาพุทโธไปไม่นานก็เกิดความรู้สึกเหมือนตกจากที่สูง แล้วก็สะดุง้งและมีอาการขนลุก อ, อันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาของผู้ที่เริ่มหัดภาวนาในตอนแรกๆเมื่อเราภาวนาพุโทโธพุโทโธหรืออะไรก็ตามซึ่งเป็นคู่ของใจเบร์จิตทาท่าจะสงบไปแล้วมันมีอาการเพิ่มๆ ล, ลงไปเบ่อจิตบรรลุลงไปมีลักษณะเหมือนกระโดดจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่า ลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าจิตตกภวังจิตมันเกิดความว่างจากสติที่จะควบคุมมันจะตัดกระแสแห่งความรู้สึกที่เรารู้สึกอยู่ในปัจจุบันนี้ไปสู่ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งคือความรู้สึกที่เป็นสมาธินั่นเองเมื่อนในระยะแรกๆที่เราภาวนายังไม่ชำนาญสติสัมปชัญญะของเรายังไม่พร้อม เมื่อจิตทำท่าจะสงบลงไปแล้วจึงมีอาการวูบแล้วก็ตกใจตื่นขึ้นมาสมาธิกอถอนอาการที่ขนลุกท่านั้นเป็นความตื่นใจที่เราได้จากการภาวนาทำให้เราเกิดปีติจึงทำให้ขนลุกถ้าหากว่ารูปหายไปแล้วเวทนาสัญญาจะไม่ปรากฏเพราะเวทนากับสัญญามันอาศัยรูปเป็นที่เกิด ถ้าหากว่าโลกหายไปแล้วเวทนาสัญญาจะไม่ปรากฏเวทนาคือสุขทุกข์ไม่มีมีแต่อุเบกขาเวทนาสัญญาความทรงจำในสิ่งต่างๆก็ไม่มีในเมื่อรูกหายไปแล้วจิตจะเกิดความรู้อะไรขึ้นมาไม่ได้อาศัยสัญญาแต่หากเป็นภูมิจิตที่เกิดขึ้นมาในส่วนละเอียดส่วนละเอียดซึ่งจิตมีความรู้ขึ้นมานั้นคือตัวสังขาร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 ไม่มีความสัมพันธ์กันทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าความรู้หรือสิ่งที่รู้ที่มันปรากฏการขึ้นมานั้นจิตซึ่งเป็นตัวสังขารจิตหรือเรียกว่าสังขารธรรมมันปรากฏขึ้นมาเป็นการปรุงของจิตส่วนละเอียดปรุงขึ้นมาด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้น จึงรู้สึกเสมือนหนึ่งว่าสิ่งที่ตัวปรุงขึ้นมานั้นไม่ใช่เรื่องของตัวเองเป็นเรื่องอื่นมาปรากฏการให้รู้ให้เห็นอันนี้เป็นลักษณะของภูมิจิตที่เกิดภูมิความรู้อย่างละเอียดขึ้นมันจะมีในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เหมือนกับที่กล่าวแล้วในเบื้องต้นซึ่งเรียกว่าสติภูตังของท่านอาจารย์มั่นนั่นเองอันนี้คาถามที่ว่าตัวลูกขันนั้นจะเคลื่อนไหวได้ไหม อันนี้ตามปรากฏการ์ที่ปรากฏผ่านมาโลภขันคือโลภนั้นมันไม่ปรากฏแล้วจึงไม่สามารถทราบได้ว่ามันเคลื่อนไหวหรือไม่ไม่เคลื่อนไหวเพราะในขณะนั้นโลภขันคือร่างกายนี่มันหายไปหมดแล้วยังเหลืออะไรก็าตามซึ่งเป็นคู่ของใจเมื่อจิตทําท่าใจสงบไปแล้วมันมีอาการเคลิ้มๆลงไปเมื่อจิตมันรูลงไป มีลักษณะเหมือนกระโดดจากที่สูงลงไปสู่ที่ตำ่ำลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าจิตตกภวังจิตมันเกิดความว่างขึ้นมาว่างจากสติที่จะควบคุมมันจะตัดกระแสะแห่งความรู้สึกที่เรารู้สึกอยู่ในปัจจุบันนี้ไปสู่ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งคือความรู้สึกที่เป็นสมาธินั่นเองเมื่อนในระยะแรกๆที่เราภาวนายังไม่ชนานาญ สติสัมปชัญญะของเรายังไม่พร้อมเมื่อจิตทําท่าจะสงบลงไปแล้วจึงมีอาการวูบแล้วก็ตกใจตื่นขึ้นมาสมาธิก็ถอนอาการที่ขนลุกท่านั้นเป็นความตื่นใจที่เราได้จากการภาวนาทําให้เราเกิดปีติจึงทําให้ผนลุกถ้าหากว่ารูปหายไปแล้วเวทนาสัญญาจะไม่ปรากฏ เพระเวทนากับสัญญามันอาศัยรูปเป็นที่เกิดถ้าหากว่ารูปหายไปแล้วเวทนาสัญญาจะไม่ปรากฏทุกข์ุขไม่มีมีแต่อุเบกขาเวทนาสัญญาความทรงจำในสิ่งต่างก็ไม่มีในเมื่อรูปหายไปแล้วจิตจะเกิดความรู้อะไรขึ้นมาไม่ได้อาศัยสัญญาแต่หากเป็นภูมิจจตที่เกิดขึ้นมาในส่วนละเอียดส่วนละเอียดซึ่งจิตมีความรู้ขึ้นมานั้นคือตัวสังขาร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 ถ้าใครภาวนาถึงขั้นนี้ได้แล้วก็ขอได้โปรดสังเกตและพิจารณาดูภูมิจิตของตัวเองแล้วจะรู้จริงเห็นจริงไปเองผู้ที่ภาวนามีภูมิจิตถึงขั้นนี้แล้วหน้าโลมโมทนาใกล้จะสำเร็จแล้วเร่งๆครับ เ, เ, เอาในปัญหาต่อไปข้อหนึ่ง จิตตอนที่จะทิ้งสมมติบัญญัติเข้าสู่ปรมัตินั้นมีสภาพเป็นอย่างไรลักษณะของจิตที่เกิดภูมิความรู้ที่มันจะก้าวเดินไปสู่ภูมิขั้นแห่งปรมัติเราพึงสังเกตยอย่างนี้ถ้าอย่างเราทาสมาธิด้วยการพิจารณาอะไรก็ตาม ในขณะที่เราตั้งใจน้อมนึกพิจารณาโดยเจตนาโดยความตั้งใจโดยอาศัยภูมิความรู้ที่ได้จากตำรับตำราหรือได้เรียนมาเช่นอย่างเราอาจจะนึกว่าโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเป็นต้นแล้วก็เป็นอุบายให้จิตสงบลงไปสู่ภูมิความสงบภูมิสมาธิเพียงแค่ขั้นอุปจารสมาธิในเมื่อจิตสงบลงไปสู่ภูมิขั้นนี้ เด็กก็สามารถที่จะเกิดปฏิวัติเป็นภูมิรู้ขึ้นมารู้ในแนวที่เราได้พิจารณามาแต่เบื้องต้นว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความรู้อันนี้เกิดขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจในเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเจตกับความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นสัมพันธ์เป็นอันเดียวกันเจตรู้โลภ ก, ก็อยู่ที่โูภอยู่รู้เวทนาก็อยู่ที่เวทนา ความรู้ในขั้นนี้ยังมีสมมติบัญญัติรู้อะไรก็เรียกว่าอันนั้นเห็นเหตุเ่นรู้รูปเห็นรูปก็เรียกว่ารูปรู้เวทนาเห็นเวทนาก็เรียกว่าเวทนาเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะมีภาษาสมมติบัญญัติว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็รู้เรื่อยๆไปอย่างนี้ในเมจตกาหนดดูตามความรู้ที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับจิตจนกว่าจิตจะรู้ซึ่งเห็นจริงลงไปแล้วยอมรับสภาพความเป็นจริงเมื่อจิตยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วจิตจะตัดกระแสแห่งความรู้อันมีสมมติบัญญัตินั้นให้ขาดตอนลงไปสู่ความว่างเมื่อจิตเกิดความว่างขึ้นมาแล้วในอันดับต่อไป จจะก้าวหน้าไปสู่ภูมิของปรมัติธรรมเมื่อภูมิความรู้อะไรเกิดขึ้นมาในขณะนี้จะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วจะไม่มีสมมติบัญญัติถ้ามองเห็นโลกสมมติว่าอาจจะเห็นนิมิตปรากฏขึ้นมาเป็นโลกเป็นเช่นอย่างเห็นร่างกายนอนตายเน่าเปื่อยผูพัง จิตก็จะอยู่เฉยๆไม่มีสมมติบัญญัติว่าอะไรแม้แต่เห็นรูปของตัวเองอย่างนี้ก็จะไม่ว่ารูปของตัวเองเมื่อรูปเน่าเปื่อยผุพังลงไปสลายตัวลงไปในที่สุดจิตก็จะไม่มีสมมติบัญญัติเรียกอาการที่เป็นไปตามขั้นตอนเห็นเนื้อไม่ว่าเนื้อเห็นหลังไม่ว่าหลังเห็นกระดูกไม่ว่ากระดูกเห็นความสลายเปลี่ยนแปลงไม่ว่าความสลายเปลี่ยนแปลงเป็นได้เพียงรู้เห็นอยู่เฉยๆ ไม่มีสมมติบัญญัติใดๆทั้งสิ้นอันนี้จิตเดินเข้าไปสู่ภูมิแห่งปรมัตทธรรมโดยไม่มีสมมติบัญญัติไม่มีตนไม่มีตัวไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีจิตไม่มีสภาวะธรรมไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่หากว่าจิตผู้รู้ปรากฏเด่นชัดสิ่งที่รู้กับปรากฏการให้รู้ให้เห็นอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือลักษณะของจิตที่ก้าวขึ้นไปสู่ภูมิแห่งปรมัตธ ปัญหาข้อที่สองทำไมมักแปดยังมีปัญญาอยู่สองอย่างครับมักแปดในเมื่อโภมจิตของผู้ดำเนินมักยังไม่ประชุมพร้อมลงไปเป็นหนึ่งทุกเสียงทุกอย่างจะปรากฏมีอาการเช่น ยังสัมมาทิฏฐิก็มีสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะดำริชอบนี่ก็เป็นเรื่องของปัญญาสัมมาทิฏฐิก็เป็นเรื่องของปัญญาท่านปัญญาในมรรคแปดนี่จึงมีสองมีสองโดยที่ในขณะที่มรรคแปดยังไม่ประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่งที่ดวงจิตยังมีอาการอยู่แปดนั้น เป็นอาการของมรรคเมื่อประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่งคือสมาธิไปรวมพร้อมอยู่ที่สมาธิความประชุมพร้อมของอริยมรรคแปดนั้นอยู่ที่สมาธิสัมมาสมาธิในเมื่อสัมมาสมาธิรวมลงเป็นหนึ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นทีนี้อาการเกิดขึ้นของมรรคแปด ในเมื่อประชุมพร้อมลงแล้วเราจะนับอาการไม่ถูกเพราะถ้าหากว่ามรรคแปดนี้ยังแยกกันอยู่หลาบใดยังไม่สามารถที่จะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้เลยอย่างดีก็เพียงแค่ว่าทำให้จิตสงบเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้บาเพ็ญมรรคทั้งแปดเนี่ยบางท่านอาจจะหนักใจว่าทั้งแปดข้อนี่จะทาอย่างไร กว่าจะรวมได้ทั้งแดข้อนี่เป็นหนึ่งจะไม่ต้องเสียเวลามากมายหรือการรวมเอามารก8ดเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์โดยเจตนาก่อนประการที่สองพยายามทำความมั่นใจคือฝึกหัดใจให้เป็นสมาธิประการที่สามทำสามมาทิฐิคือความเห็นชอบในการปฏิบัติว่าเพื่ออะไร เพื่อมุ่งผลแห่งความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเข็นจริงในสภาวัธรรมตามความเป็นจริงในเมื่อศีลก็บริสุทธิ์ความตั้งใจก็มั่นวัตถุประสงค์ของการภาวนาก็ไปในแนวทางที่บริสุทธิ์เป็นอุบายที่จะทําให้จิตสงบลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าสมาธิเมื่อสมาธิที่สงบลงเป็นหนึ่งเพียงแต่นิ่งอยู่เฉยเฉยอันนี้เป็นแต่เพียงมีสมาธิองค์เดียวเท่านั้น ถ้าสติสัมปชัญญะยังไม่มีกำลังเพียงคอศรัทธาพร ะ, ระยังไม่เกิดวิริยะพร ะ, ระยังไม่มีสติพร ะ, ระยังไม่พร้อมสมาธิพร ะ, ระยังไม่เข้มแข็งปัญญาพร ะ, ระยังไม่มีกำลังที่จะรู้รอบจุที่จิตจิตก็ไม่สามารถที่จะประชุมพร้อมแห่งอริยมรรคมเป็นหนึ่งได้ต้องพยายามที่จะต้องฝึกขัดสมาธิให้ยิ่งขึ้น ในเมื่อมรรคทั้งแปดนี้รวมกันลงเป็นหนึ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่หนึ่งไม่มีสองในเมื่อยังไม่เป็ประชุมพร้อมมันก็ยังมีการแยกกันเป็นสองคำถามที่ว่าทําไมมรรคแปดปัญญาในมรรคแปดจึงมีสองก็เพราะเราไปพูดตามอาการในเมื่อเราทําจิตให้เป็นสมาธิประชุมพร้อมด้วยอริยมรรคแล้วสมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะรวมเป็นอันหนึ่ง ในเมื่อมันยังไม่ไประชุมพร้อมมันก็ยังแยกอาการกันอยู่เมื่อประชุมพร้อมลงไปแล้วยังเหลืออยู่หนึ่งเท่านั้นเรียกว่าเอกาญโนโมัคโคเมื่อเอกายโนโมัคโคเกิดก็แนลสามารถจะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิทําได้ปัญหาข้อที่สอย่างไรจึงเรียกว่าผู้ทรงญานการุณาอธิบายญานที่หนึ่งสองสาม อันนี้ความรู้เรื่องยานความรู้เรื่องยานโดยแยกประเภทนั้นหรงพ่อขอยอมว่าไม่เคยสนใจสนใจแต่เพียงแค่ว่าทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิสามารถที่จะเกิดปัญญาอย่างรู้สภาพความเป็นจริงของสภาวธรรมที่จะเกิดขึ้นกับจิตเรื่องแยกประเภทของยานต่างๆนั้นขอฝากเอาไว้ให้ท่านผู้ถามพิจนารณาเอาเอง ประการที่สี่ช่วยกรุณาเล่าเรื่องเหล็กไหลด้วยครับ <c oughs> เรื่องของเหล็กไหลนี่เป็นวัตถุเป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์อาตมาก็เคยผ่านสายตาครั้งหนึ่งอที่เขาเอามาให้ดูมาอวดกันที่มองมองเห็นกันเนี่ยของคนนั่นถือมาว่าเหล็กไหลคนนี้ว่าเหล็กไหลอะไรทํานองนั้น แต่ส่วนมากมันจะเป็นโคดเหล็กไหลหรือหินดำชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนกับเหล็กไหลหินดำชนิดนั้นเมื่อถูกน้ำพึ่งมันจะมีสีเขียวออกมาเหมือนปีกแมลงผู้แต่เหล็กไหลที่นำมาได้เห็นเนี่ยมันสมชื่อว่าเหล็กไหลกันจริงๆที่ได้เห็นก็เห็นโดยบังเอิญเห็นแล้วเราก็ไม่รู้ว่านั่นคือเหล็กไหล ไปเห็นอยู่ในฟันกรามของคนโบราณที่เขาทำให้ลูกไข้หลานเขาในเมื่อไปเห็นแล้วเจ้าของเขาบอกว่าถ้าท่านอยากได้ก็เอาซะก็หยิบเอามาเอามาแล้วมองเข้าไปมันเห็นมันมีวัตถุชนนิดหนึ่งเป็นก้อนกลมๆแล้วก็มีแสงมากระทบสายตาด้วยความอยากรู้จริงก็เอาไมา้สีฟันเนี่ยไม่จิ้มฟันนี่แย่เข้าไป พอแย่เข้าไปยังไม่ถึงยังไม่ถูกยังไม่สัมผัสกับไอ้ก้อนโลหะอ น, นั้นก้อนวัตถุอ น, นั้นมันเลยวิ่งหนีไม้ไปวิ่งลึกเข้าไปเข้าไปในจนมองไม่เห็นทีนี้พอส่องไปส่องมาพอเผลอมันก็กลิ้งตกลงมาที่อุ้งมือพอตกลงมาที่อุ้งมือแทนที่มันจะไหลลงไปในทางต่ำมันกลับวิ่งตัด อ, อุ้งมือขึ้นมาตามข้อสอบ ซึ่งมันวิ่งขึ้นมาที่สูงโดยปกติแล้ววัตถุ ก, กลมๆนี่มันจะไหลมันจะวิ่งลงไปทางต่ําแต่นี่มันวิ่งขึ้นทางสูงได้แล้วก็ตกลงไปเพื่อนไม้กระดานพอตกลงเพื่อนไม้กระดานก็ตะครบุบตะครุบลงไปจะหยิบขึ้นมาด้วยมือสามเลี้ยวนี่ยถ้าเป็นวัตถุอื่นมันก็ต้องติดมือขึ้นมาแต่อันนี้พอยกมือขึ้นมาแล้วมันไม่ติดมือขึ้นมาพอยกมือเพืพร้น วัดถูนั่นขึ้นมามันจะวิ่งทันทีมันกลิ้งอยู่อย่างงั้นแหละพอไปตะคบุบทับมันก็นิ่งพอหดนิ้วมือข้าขึ้นจะหยิบยกมือขึ้นมันไม่ติดพอพ้นจากมือเมื่อไหร่มันวิ่งไลต่ตะครุบกันลงผลสุดท้ายมันก็กลิ้งตกจากแผ่นกระดานลงไปไปถูกกับพื้นดินพื้นดินนั่นก็เป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นเป็นพื่อนปูนซีเมนที่เขาเทปูนซีเมนไว้ พอตกพักล่ปลไปก็เห็นมันกลิ้งไปนิดหนึ่งแล้วก็หายวับไปกับตานี่ในเหล็กไหลที่เคยเคยเห็นมาด้วยกับตาด้วยตาหลังจากนั้นก็เลยหมดความอยากได้เหล็กไหลก็เลยหายอปัญหาข้อที่ห้าควรจะปฏิบัติอย่างไรกับเรื่องศาลพระภูมิจึงจะชื่อว่าไม่งมงาย การตั้งศาลพระภูมินี่โดยส่วนมากหมอผู้ที่ตั้งศาลพระภูมิบางท่านก็สามารถที่จะมองเห็นว่าเมื่อตั้งศาลพระภูมิขึ้นมาแล้วผู้ที่จะมาอยู่ศาลพระภูมินั้นเป็นผีหรือเป็นเทวดาบางท่านก็รู้จักแต่ทำตามตำรับตำราแต่หารู้ไม่ว่าผีที่มาอยู่ศาลพระภูมิเป็นเทวดาหรือผีหัวกุดหัวขาดก็ไม่รู้ทีนี้การปฏิบัติต่อ ต่อสารพระภูมิเราเชื่อว่าสารพระภูมิในเมื่อมีสิ่งที่มาอยู่สิ่งนั้นคือสิ่งที่มีวิญญาณเป็นวิญญาณภูมิเทพระภูมิเทวดาหรือพระภูมิเจ้าที่พระภูมิเจ้าที่ก็หมายถึงพระคือหมายถึงเทวดานั่นเองการปฏิบัติต่อท่านเหล่านั้นถ้าเราเอาสิ่งของไปเส้นไปสูงท่านกา็ก็จะเป็นอุบายไปผูกให้ท่านติดแน่นอยู่ที่สารพระภูมินั่นะ เพราะในเมื่อเราไปปฏิบัติต่อท่านท่านก็ติดในความดีของเราท่านก็ติดนั่นอยู่ที่สารพระภูมิถ้าหากเราจะปฏิบัติให้ถูกต้องกันจริงๆพวกที่มาอยู่ตามสารพระภูมินี่เป็นวิญญาณชั้นต่ําคอยอาศัยกินบุญจากคนลดเราผู้มีชีวิตอยู่ถ้าเราทําบุญสนทานอย่างไรแล้วไปตรวจน้ําอุทิศส่วนกุศลให้พระภูมิ เมื่อพระภูมิได้อรรถโมทนาแล้วก็บอกพระภูมิว่ า, าท่านจะอรรถโมทนาหรือไม่อรรถโมทนาเราก็ไม่รู้ละ่ะแต่เราทําบุญแล้วเราอุทิศย์ส่วนบุญให้ท่านเมื่อท่านได้อรรถโมทนาแล้วท่านจะพ้นจากความเป็นผีพระพรมิอาจจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นไปก็ได้แต่การไหว้เนี่ยคนที่มีพระพุทธประธรรมประสงค์เป็นสารณะที่พึ่งที่ระลึอกอยู่ในจิตในใจเนี่ย เราจะไหว้ลงที่ไหนก็ถูกพระเราทุกขนทุกแห่งเพราะเรามีคุณพระอยู่ในจิตในใจการไหว้พระภูมิเพียงแต่เพียงแต่แสดงคารวะโดยที่เราถือว่ามีอะไรอยู่ที่นี่เพียงแค่นั้นไม่ทำให้ใ ห, ให้เสียคุณพระรัทธนัทไเป็นการแสดงความมีน้ำจิตน้ำใจนิดหน่อยเท่านั้นเหมือนเหมือนกับเราไหว้เพื่อนฝูงหรือพ่อแม่ไม่ขาดจากพระไตรสนนคม ปัญหาข้อต่อไปที่ว่าทำบุญตักบาทพระในวันพระนั้นเพราะญาติมารับผลบุญนั้นจริงหรือไม่อันนี้เป็นความจริงและทำวันอื่นก็เป็นความจริงอีกเหมือนกันไม่เฉพาะแต่ที่ทำวันพระเท่านั้นที่ญาติเราจะมารับได้เช่นอย่างเราทำบุญบ้านวันใดวันหนึ่งก็ตาม เมื่อเราตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วถ้าหากว่าท่านยังหวังพึ่งบุญกุศลที่เราทำอุทิศให้อยู่เราทำเมื่อไหร่อุทิศให้ท่านเมื่อไหร่ท่านอนุโมทนาแล้วท่านก็ได้รับส่วนบุญถ้าหากว่าท่านไม่ได้รับส่วนบุญอันนั้นก็เป็นของเราเองอมีปัญหาว่าการแพ่งพิจรารณาร่างกายเพ่งพิจารณากระดูก การเพ่งพิจารณากระดูกนั้นถ้าเราจะเพ่งพิจารณาดูกระดูกโดยตรงให้กำหนดดูจิตของเราก่อนว่าจิตของเรามีความสัมพันธ์ในจุดไหนมากกว่าที่อื่นถ้าหากว่าจิตของเรามีความสัมพันธ์กับจุดนั้นมากเราก็เพ่งจิตไปที่ตรงนั้นแล้วก็กำหนดพิจารณาลอกหนังออกเถื่อเนื้อออกนึกให้ถึงกระดูกนึกกลับไปกลับมาด้วยด้วยความคิด แค่กระทั่งจิตของเราเชื่อมั่นลงไปว่ามีกระดูกอยู่ตรงนี้ในขั้นต่อไปเราจะบริกรรมภาวนาว่าอาธิอัธิก็ได้แล้วก็จ้องจิตลงไปที่จุดนั้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจะเกิดนิมิตเห็นโครงกระดูกอในปัญหาต่อไปข อ, ขอกราบเรียนถามว่าเวลานั่งสมาธินา น, านแล้วรู้สึกว่าขาเป็นเนบชาจะต้องเปลี่ยนอิทิยาบทหรือไม่อันนี้ ขาเป็นเน็บชานั่นเป็นของร่างกายเป็นพวกที่เกิดขึ้นจากกายทีนี้ถ้าหากว่าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะอดทนต่อไปได้เราก็เปลี่ยนเสียถ้าหากเราสามารถที่จะกําหนดจิตให้เข้าสมาธิได้อย่างฉับพลันโทกขะเวทนาคือความเจ็บปวดหรือขาเป็นเน็บชานั่นมันจะหายไปในเมื่อจิตเกิดเป็นสมาธิแล้วเพราะจิตสงบนําลองเป็นสมาธิแล้วทาให้กายเบาทาให้จิตเบา เวทนาดังกล่าวนั้นจะหายไปถ้าไม่สามารถที่จะระ ง, งับด้วยกำลังของสมาธิก็เปลี่ยนอิริยาบถนั่งในท่าใหม่ข้อสองเวลานั่งสมาธิเกิดความร้อนวูบวาบพร้อมกับสะดุง้งต่อไปจะทำอย่างไรความร้อนวูบวาบอันนี้มันก็เป็นอาการของทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วในเมื่อเกิดร้อนวูบวาบขึ้นมาแล้วก็เกิดสะดุง้ง อาการสะดุ้งนั้นมันเกิดขึ้นหลายอย่างอย่างหนึ่งจิตทาท่าจะสงบลงไปแล้วเกิดสะดุง้งอีกอย่างหนึ่งเรานั่งตรงตัวอยู่ในเมื่อเผลอสติแล้วหลังมันก็ค่อยขดลงไปแล้วก็เกิดสะดุ้งขึ้นมาวิธีแก้ก็คือว่าพยายามทำบ่อยๆทำให้มากๆจนชำนิชำนาญแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะหายไปเองเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิ ปัญหานี้มีว่าเมื่อเพ่งพิจารณาสุขเวทนาเรื่อยๆไปยนในที่สุดไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรจิตเกิดความรู้ขึ้นมาเน็ต เ, เกิดความรู้ขึ้นเกิดความรู้ชนิดหนึ่งขึ้นในจิตความสุขที่เราได้อยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่สุขอย่างแท้จริงอันนี้เป็นความรู้ของจิตที่เกิดขึ้นสุขทุกข์ที่เราได้อยู่ แค่อย่างชีวิตความเป็นอยู่ที่เราว่ามีความสุขความทุกข์อันนี้มันไม่ใช่อ่าความสุขอันนี้มันไม่ใช่สุขที่แท้ทีนี้ในเมื่อจิตสงบลงไปบ้างแล้วได้รับความสุขในสมาธิในเมื่อจิตมีความสุขในสมาธิซึ่งเป็นผลที่เกิดมาจากปีติอันนี้เป็นความสุขที่เกิดจากสมาธิ เ, าเกิด จ, จากเกิดจากเกิด จ, จากปีติ ทีนี้สุขที่เกิดจากปีตินี้มันก็ยังไม่ใช่สุขที่แท้จริงในบางครั้งถ้าจิตหมดกําลังของปีติมันก็เกิดทุกข์เป็นเรื่องของธรรมดาของจิตในเมื่อภาวนาลงไปแล้วมันเกิดปีติเกิดปีติแล้วก็มีความสุขมีความรู้สึกสุขในจิตในเมื่อจิตมีความสุขจิตก็คล้อยต่อความสงบดาเนินสู่ความสงบเรื่อยไปจนจิตละเอียดสงบลงไปจริง ในเมื่อจิตสงบลงไปจริงๆแล้วสุขที่ปรากฏในจิตมันก็หายไปยังเหลือแต่ความไม่มีสุขไม่มีทุกข์คือความเป็นกลางๆความเป็นกลางๆไม่มีสุขมีทุกข์แล้วจิตสงบนิ่งอยู่นั่นแหละท่านเรียกว่าเอกคตากับอุเบกขาในเมื่อจิตบรรลุถึงความไม่มีสุขไม่มีทุกข์จิตสงบเป็นหนึ่งมีแต่เอกเอกะขะตากับอุเบกขาลักษณะที่ปรากฏก็คือความบ้างของจิต จิตมันบ้า ง, างสงบนิ่งบ้างสว่างอยู่ไม่มีความรู้สึกนึคิดว่างจากความสุขว่างจากความทุกยังเหลือแต่ความเป็นกลางเป็นธรรมชาติของจิตที่จะเป็นเช่นนั้นถ้าเมื่อจิตมันว่างอยู่อย่างนั้นเมื่อมันว่างอยู่พอสมควรแล้วถ้าหากว่ามันจะมีภูมิปัญญาเกิดขึ้นมันก็จะปรากฏมีสิ่งให้รู้เกิดขึ้นมา สิ่งที่ให้รู้นั้นมันเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติในเมื่อมีสิ่งรู้เกิดขึ้นมาจิตก็จ้องดูอยู่ที่สิ่งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นคือความเกิดแต่ความดับซึ่งเราใช้คําว่าเกิดดับเกิดดับปรากฏขึ้นในจิตทีนี้เกิดดับเกิดดับปรากฏขึ้นในจิตนั้นคือลักษณะของพระไตรลักษณ์ปรากฏในจิตถ้าหากว่าจิตยังไม่มีปัญญาแกก็รู้เพียงแค่ว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับคืออะไรแกยังไม่รู้ ในเมื่อแกรู้อยู่เพียงแค่เกิดดับเกิดดับแกถอนออกมาจากสมาธิแกก็ได้แค่ขั้นสมถะแต่ถ้าแกมีปัญญาไปหน่อยหนึ่งดูเกิดดับเกิดดับแล้วก็รู้ซึ้งลงไปซซ้งลงไปในขณนะที่รู้ซึ้งนั้นความรู้อันนั้นจะไม่ปรากฏว่ามีอนิจจังทุกขังอนัตตามีแต่เกิดดับเกิดดับแต่ว่าจิตสามารถรู้ทั่วไปโดยอัตโนมัติคือมันเข้าใจซึ้งลงไปแต่มันยังไม่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก่อน ทีนี้มันดูเกิดดับเกิดดับเกิดดับพอมันไหวตัวออกจากสมาธิพับพอเกิดมีความรู้สึกนึกคิดได้มันจะอ้อความไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้เนอคคาว่าจิตว่างอยู่ลึกๆคือจิตหลุดพ้อนอันนี้เป็นจิตหลุดพ้นจากอารมณ์สัญญาอารมณ์ภายนอกแต่ถ้าหากว่าจิตนั้นมีการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็เป็นจิตหลุดพ้นจากอารมณ์ แลยเป็นจิตหลุดพ้นจากกิเลสแต่ถ้ามันวา่างๆมันก็หลุดพ้นอยู่เฉพาะในขณะที่อยู่ว่างๆถ้าวา่างๆแล้วออกมามาลุ้อะไรไม่มีอาการของจิตขึ้นความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีความรักความทังไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันไม่มีอันนี้มันก็เป็นจิตหลุดพ้นแต่ถ้าออกมาแล้วมันเกิดมีกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันอยู่ รูปยังเป็นของเราเวทนายังเป็นของเราในความรู้สึกอยู่อันนั้นจิตมันหลุดเฉพาะในขณะที่อยู่ว่างๆเป็นวิขำพะระละปหานระงับกิเลสด้วยกําลังฌานคือสมาธิเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็ยังมีกิเลสอยู่อย่างเก่าทีนี้ถ้าถ้าเราทําจิตได้ดังอย่างนี้แล้วเราทําบ่อยๆบ่อยๆๆความว่างๆนี่มันจะสะสมกําลังขึ้นมาแล้วมันจะเป็นความว่างตลอดการ แต่ความว่างของจิตในขั้นนี้มันมีอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งนั้นจิตว่างจากความอาจะว่างจากอารมณ์คือไม่มีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดจิตไปตกกระแสะแห่งความว่างแล้วก็ว่างอยู่เฉยๆว่างอีกอย่างหนึ่งนั้นในเมื่อจิตว่างแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาแต่ไม่ยึดถือไม่ติดในสิ่งนั้นอันนี้เป็นการว่างจาก กิเลสคือความยึดถือในอารมณ์เป็นการปล่อยวางอารมณ์ของจิตคึงเข้าใจความว่างของจิตในลักษณะสองอย่างดังที่กล่าวมาเออคำพอสมควรแล้วเนาะมันจะหมดปัญหาแล้ว